สวิชาภาคบ่ายที่สอบนั้นในหัวไม่มีอะไรเลยนอกจากคาถาปลุกผีหลังจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านไปและในที่สุดมันก็มาถึงวันที่ผมลองใช้คาถานั้นผมจําได้ว่าวันนั้นเวลาประมาณสามทุ่มผมไปเดินเล่นที่บ้านป้าไปนั่งฟังผู้ใหญ่เขนั่งคุยกันหลังจากกินข้าวเย็นตามประสาะแถวบ้านนอกครับและผมก็เดินออกไปหลังบ้านป้าเพื่อที่จะไปยิงกระต่ายหลังจากทําธุระเสร็จผมก็เดินกลับปกติ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 โปรดกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ